นางเคมาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคําสอนในพุทศาสนานะพอรู้รว่าพระองค์ตำหนิรูปแตคือตำหนิขันห้านะแต่จําได้อยู่ข้อหนึ่งคือรูปว่ารูปไม่สวยไม่ดีรูปไม่เที่ยงรูปมันอสุภาพเป็นต้นก็เลยไม่อยากฟังทำไม่ต้องการเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการเห็นพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะตําหนิรูปประคันะจะตําหนิรูปที่สวยสดงดงามของนางเนี่ย น, ะนางถือว่านางนี่สวยมากในแผ่นดินมคตสมัยนั้น คือสมัยก่อนเนี่ยนะใครสวยๆใครมีลูกสาวสวยเขานิยมไปถวายพระราชาเนี่ยนะว่าโดยรวมๆนะโบราณจริงๆแล้วเป็นแบบนั้นพนางก็ถือว่านางเนี่ยสวยมากเลยพระเจ้าพิมพิสารก็มาคิดดูว่า เ, เราเนี่ยเป็นพระโสดาบันเมียไม่ฟังธรรมเลยเนี่ยทําใจไม่ได้ก็เลยวางแผนโดยวิถีทางเพื่อให้นางเนี่ยไปไปฟังธรรมก็มีวันหนึ่งคิดอุบายได้ว่าสวนเวลุวันเนี่ยสวยมากท่านก็เลยให้นัก แต่งเพลงเนี่ยมาแต่งชื่นชมว่าสวนเวลุวันเนี่ยสวยนางก็เลยฟังไว้ที่ไหนนะมันสวยมากขนาดนี้บอกเวลุวันไงฟังแล้วก็คิดหนักอยู่เหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวพระ อ, องค์ก็จะตําหนิรูปว่าไม่สวยอีกแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจนะเพราะฟังคําชื่นชมเวลุวันเนี่ยมานานเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรนะขามาฟังทางใต้นะเขก กิศดาดอยเขบาบอกันเฮยถ้าไปเชียงใหม่มันต้องให้ถึงกิศดาดอยเขบาบอกันนะจําสวยขนาดไหนขงมาไม่เคยไปหรอกแต่ว่าเขาแหมเขาพูดกันจริงๆเลยนะขงมาก็งงสวยขนาดนั้นเลยลนะอันนี้ทําให้เห็นว่าอถ้าได้ได้ตอกย้ําในเรื่องสถานที่บ่อยๆนะทาให้มีใจอยากไปเะทําให้มีใจอยากไปเที่ยวหน่อยนางเ อ, อ๋มนางเขมาก็เหมือนกัน พอได้ฟังคําชื่นชมว่าวีุวันเนี่ยสวยก็อยากไปพอวันนึงก็ไปขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารก็บอกไปได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนแล้วค่อยกลับนางก็ทําเป็นไม่ได้ยินไอประโยค น, นี้อย่างนี้นทําเป็นไม่ได้ยินทีนี้พอผ่านไปนะพระราชาเนี่ยสั่งอํามาศไว้เลยบอกว่าถ้าไม่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องให้กลับวังหรอกวันนี้อย่างนี้นสั่งอํามาตไว้เลยนางก็เลยไปเที่ยวไปเรื่อยๆใช่ไหม ไปเนี่ยพอชมวัดไปเรื่อยๆนี่รู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งกุฏิพระพุทธเจ้าควรจะอยู่ตรงไหนก็ไม่ยอมไปแล้วทำท่าจะกลับอามาศก็เลยต้อนไปนะทางโน้นก่อนพระเจ้าค่าท้งโน้นก่อนในที่สุดก็ไปใช่พระพุทธเจ้าก็รู้แล้วนางธรรมดาน้ํายอกก็ต้องเอาน้าเนี่ยมาบ่งนะพระองก็เลยเนรมิตให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะเรียกว่าเป็นรูปเนรมิตสวยกว่ามนุษย์ แต่ไม่ถึงกับเทวดาก็งามมาก น, นะนางเขมาเนี่ยพอเห็นเท่านั้นแหละไอความคิดที่ถือว่าตัวเองสวยนี่ลดลงไปบอกว่าขนาดจะไปสมัครเป็นหญิงรับใช้ของคนนั้นยังไม่คู่ควรเลยนะมองเห็นตัวเองเหมือนกาทันทีเลยนะพอเห็นหงเข้าอ้าวเรามันกาชัดๆเลยนะก็เลย ดูแต่นางเขมดูแต่รูปนั้นแนหะไม่กับพิษตาเลยนะชื่นชมในความสวยนะก็คนสวยก็ชมไล่ไปเรื่อยตั้งกับผมมาเรื่อยๆตาก็สวยจมูกก็สวยก็ไล่ไปอย่างเงี้นะทีนี้พระ อ, องค์เนี่ยทำภาพเร็วได้อ่า น, นะจากสิบหกปีเป็นยี่สิปีทันทีเลยนะแป๊บเดียวเลยนะเอ๊ะตาฝาตายหรือเปล่าอ่านะนนะจากยี่สิบปีเป็นสาสิบปีสี่ิปีห้าสิบปีแปดิบปีเก้าสิบปีร้อยี่สปีภายในไม่กี่อึดใจเนี่ยนะ ก็ร้อยี่สิบปีผ่านไปเนี่ยนะถือพัฒคนแก่ร้อยี่สิบปีถือพัฒนี่ควรจะเป็นแบบไหนนะอีกพักเดียวก็ล้มร้องค ร, ครงวนครางโวยวายอืดอัตนั้นแล้วก็ตายตายแล้วก็เ อ, อืดให้เห็นเนี่ยนะใส้ทะลักให้ดูตรงนั้นแหละอีกพักเดียวก็เหลือแต่หายศูนย์สลายไปอ่ะนะพงศ์ก็ดูวาระจิตอยู่พงศ์ก็แสดงธรรมให้ฟังฟังแล้วนางก็บรรลุเป็นผ้าหันนี่นะก็ ก็พยายามสังสมอัธยาศัยในการพิจารณาเรื่องนี้เอาไว้ดีๆเถอะพันการสักสะสมเรื่องการเจริญกายคตาสติการพิจารณาสังขารทั้งหลายพิจารณารูปกายโดยปฏิกูลหรือโดยอสุภะอย่างใดอย่างหนึ่งสังสมเอาไว้ในอัธยาศัยนะในที่สุดก็น้อมไปเพื่อการสลัดฉันทราคะในกายจนได้คือกายเนี่ยนะถึงเราจะมองว่ามันงามยังไงมันก็ไม่งามจริงๆหรอก คือมันแค่หลอกๆได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เราก็คิดดูนะสมมติว่าเราไปบอกว่าเออฝั่งโน้นสวยนะแล้วคนที่คิดว่าจะแต่งให้คนอื่นเห็นว่าสวยเนี่ยถามมาเดือดร้อนขนาดไหนกว่าจะให้คนอื่นเขาดูว่าเราสวยจริงๆนะใช่เวลาแต่งเป็นชั่วโมงยี่โมงเลยคนอื่นเขาไม่ทักเลยเนี่ยนะโอ้เสียเสียความรู้สึกมากเลยนะแล้วก็ สมมติว่าโอ้ยไฟหนึ่งบอกปากหอมเหลือเกินคิดดูว่าเขาจะต้องรักษาปากขนาดไหนยังไม่กว่าจะมีกลิ่นเพราะปกติมันอย่างที่อาจารย์เกรดเราว่าอยู่กับทันตแพทย์มานานว่างั้นฟังเรื่องสุขภาพฟันเนี่ยเป็นสิบสิบปีเขาว่างั้นก็บอกว่าโดยปกติน้ําลายมันจะเน่าเองว่างั้นโดยธรรมชาติของมันสี่ห้าชั่วโมงมันก็เน่าแล้วว่างั้นแล้วคนที่ปากหอมเนี่ยแสดงว่าจะต้องดูแลมันขนาดไหนใช่ไหมเพราะมันมันทยอยเน่าไปเรื่อยเรื่อย เนี่ยอย่างน้อยที่สุดทยอยบ้วนปากทยอยหาอะไรมาอมมาอยู่เป็นปกติเลยแหละกว่ามันกลิ่นอีกชนิดหนึ่งมันจะออกมานเนี่ยนั้นก็ก็พิจารณาให้มากๆสังสมอัธยาศัยที่จะเห็นเห็นสภาพที่เป็นจริงของของขันของรูปประขันเหล่านั้นๆถ้าพิจารณารูปอย่างนี้บ่อยๆนะรูปนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกใช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาะ เวทนานั้นๆเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยสัญญาสังขารก็ปรุงไปเรื่อยนะแ ต, แต่ทั้งหมดนั้นก็เพราะถูกจิตมันหลอกเอาถ้ามันพิจารณารูปเหล่านี้ตามสภาพที่เป็นจริงอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆแต่ก็มีเงื่อนไขนะว่าผู้ที่เจริญอย่างนี้ตั้งอัถยาศัยเพื่อการสละเอาไว้ตั้งอัธยาศัยเพื่อการสละใช่ไหมจไดไ้ตอนที่เราเรียนโพชงว่า เจริญสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นต้นเนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเพราะฉะนั้นพิจารณาอย่างนี้บ่อยสักครั้งหนึ่งนะทำใจไว้ว่าจะต้องตัดฉันทะราคาในสิ่งนี้ได้อธิษฐานอย่างนี้เอาไว้เสมอๆปลูกฝังความคิดอันนี้ไว้ว่าสักวันหนึ่งต้องตัดฉันทะราคะสิ่งนี้ให้ได้ถึงตอนนี้ยังไม่ได้นะเหมือนอะไรเหมือนถูกพยาบาทไว้เลยอะ่ะแต่นี้ไม่ใช่ เรียกว่าตั้งอัธยาศัยเพื่อการสลัดออกเอาไว้ถ้าเราคิดดูนะว่าถ้าสะสมอย่างนี้ไปอีกห้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะคิดว่าน่าจะได้บรรลุไหมไม่ถึงอะไรไม่ถึงอ๋อเหร อ, <c oughs> อยำน้องเน่นนึกเสียวเลยนะห้าสิบปีข้างหน้าเนะถ้า50สิบปีข้างหน้าร้อยร้อยสิบร้อยกว่าปีใช่ไหม ร้อยร้อยสิบปีก็น่าคิดมันกันนะร้อยสิบปีเนี่ยนะปีัที่ปีที่เก้าสิบนี้คุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะใครไปเยี่ยมก็คุยไม่ค่อยรู้ก็เอามาพิจารณาเยอะๆนะว่า ส่วนเกี่ยวกับชาราเนี่ยนะมาทบทวนอีกนิดหนึ่งในหน้าสามสิบเอ็ดว่าสภาพของชาราเนี่ยนะจริงๆไม่ต้องอ่านมากก็เห็นเห็นอยู่แล้วล่ะถ้าใครมองไม่เห็นก็มองไปรอบๆข้างถ้าไม่เห็นจริงๆเอากระจกมาตั้งจะเห็นชัดเลยแหละนี่มาดูหน้าสามสิบสองเลยอันนะ ชัิอยู่คำหนึ่งคือวลิตตะจตาเนี่ยนะวลิตตะจตาแปลว่าความที่หนังเหี่ยวย่นตะโจอ่ะนะสับหลังก็คือตะอ่ตจะก็คือตะโจนั่นแหละกลางๆเห็นไหมวลิตตะจตาเนี่ยต่อเต่าตัวนั้นซ้อนเข้ามาก็คือหนังมันเหี่ยวขึ้นอันนี้แสดงว่าชราโดยกิจใช่ไหม การทําความเป็นผู้มีเนื้อเหี่ยวอมีเนื้อเหี่ยวแล้วก็หนังยน่นอันที่จริงเนื้อข้างในมันมีปัญหาขึ้นใช่ไหมพอเนื้อข้างในมันมีปัญหาขึ้นผิวหนังก็เลยก็เลยย่นก็เลยมีปัญหาขึ้นเนี่ยนะก็ยังกล่าวว่ามาอ่านหนังสือแพทย์เล่มหนึ่งนะที่ว่าเขาจะไม่ทําให้ให้ผู้หญิงมีกัรเนี่ยนะอายุประมาณห้าสิบปีไปแล้วเนี่ยไม่อยากให้ขอบตามันย่นเนี่ยเขาฉีดยาชนิดหนึ่งให้กล้ามเนื้อตานี่มัน มันชาอยูใ่ให้มันชาแต่ว่าเขามีวิธีการเยอะแหละแต่ว่าที่รวมๆก็คือฉีดไอ้กล้ามเนื้อรอบๆตาเอาไว้ทั้งหมดให้มันอยู่สภาพเดิมนะเพราะว่ากล้ามเนื้อจะได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมหนังตามันจะได้ไม่ไม่ย่นกรามจะได้ไม่ไปเหยียบแถวนั้นไม่รู้กาเหยียบหรือไก่เหยียบอนะก็เป็นไปหมด่นะเนื้อที่จริงน่าจะสังเวชได้ตั้งเยอะแล้วนะน่าจะได้วิปัสสนาไปตั้งหลายข้อละ นี่นะถ้าเรียนธรรมะไว้นานๆแล้วนะตอนนี้อาจจะได้ดีกันหลายคนนะเนะเพราะว่าต้องอย่างเงี้ยต้องทบทวนดูแล้ววันโอ้วันละหลายรอบนะถ้ามานาสิการคำสอนเหล่านี้เอาไว้โอ้ได้ดีแน่ก็นะ เ, เลยไม่ไม่ได้คิดว่าของดีก็อยู่แถวแถวนี้เหมือนกันนะ ทำมะสปายะมากเลยนะก็พันอยู่ในห้องแต่งตัวก็เจริญนิัศสนาได้ทั้งวันอ่ะนะแต่ทีนี้ดูไปดูมาเอ๊ะมันก็น่าจะสวยนะแต่อย่างงี้ก็พลาดแล้วนะไม่ถูกละเพราะว่าถ้าถ้าการพิจารณาเนี่ยนะการเห็นสภาพตามที่เป็นจริงเนี่ยนะอันนี้ชัดเจนมากเลนไหมคือถ้าเห็นว่ารูปเหล่านั้นเนี่ยตอนที่ที่ดีบริบูรณ์สวยสดงดงามไม่ชราเนี่ย เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสของผู้ที่สําคัญว่าเป็นเจ้าของเนี่ยปานใดแต่ถ้าถามว่าถ้ามันเปลี่ยนไปมันชราไปนะเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสของผู้ที่คิดว่าเป็นเจ้าของเนี่ยปานใดก็อย่างที่สามีหลายๆคนเขาชอบพูดถึงภริยาเขาว่าโอ๊ยทาไมมันชราเกินวัยเลอะเกินอย่างนั้นนะเนี่ยผิวก็ชราด้วยพูดก็เก่งอีกต่างหากเงี้ยนะโอ๊ยโทมนัสมากมากเลยไม่คยอยากกลับบ้านกับช่องละ ใช่แล้วงาที่ผู้ชายก็ราแก่ต่ยาตยากยาชอบมากแต่ก็โดยรวมแล้วเปอร์เซ็นต์รวมผู้หญิงก็อายุยืนกับผู้ชายอยู่แล้วล่ะ ก็ดูแลเขาเขาดูแลดีอ่ะนะเขดูแลเป็นอย่างดีไม่ยอมไม่ตายง่ายอ่ะนะหาวิธีการที่เรียกว่าอยู่จนอย่าเพิ่งตายเลยอ่ะนะเพราะหมายความว่าการแพทย์เนี่ยนะแพทย์คนใดที่ซื้ออายุคนได้มากเท่าไหร่นะก็ฐานะดีเท่านั้นไงการแพทย์ก็เลยระดมวิชาศัพทวิชามาเพื่อจะให้ ยืนที่สุดเท่าที่จะยืนได้เพราะถ้าได้ยืนแม้แต่เดือนสองเดือนนี่ก็โอ้ได้อีกหลายตังค์นนะนก็คือซื้อชีวิตตินซีเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ที่จริงก็เป็นอย่างนั้นนะทุกคนทํางานหาเงินกันเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็เพื่อตรงนี้ด้วยจะคิดว่าจะได้ซื้อชีวิตต่ออีกแม้แต่ชั่วโมงเดียวก็ดีใจแล้วนะไอ้ไอสตังค์ที่หาไว้ได้นะเช่นลดเวทนาลงบ้างชีวิตยาวขึ้นอีกบ้างอะไรบ้างเนะี่ยก็ ก็ส่วนนั้นแหละนั่นก็พยายามสแสวงหาทรัพย์เนี่ยด้วยวิธีการอย่างหนึ่งก็เพื่อจะได้ซื้อชีวิตเนี่ยเองแต่ไม่รู้มีแล้วอยู่ทําไมอนะนนี้ไอ้ผู ก, การหรือขายนักถามว่าไอ้เขามีถ้ามีชีวิตอยู่แล้วจะไปทําอะไรเนี่ยนะกูบรรจุถามหรือปู้การถามผู้ ก, การถามอานะันนแล้วได้คําตอบหรื อ, อยัง ผู้การเล่าเรื่องราวเข้าไปยังไง <laughs> คือ <c oughs> ก็ผมไปกรุงเทพมีก็วแวะร้านกว๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดตากบ่อยๆตอนนี้เจ้าของร้านเนี่ยก็ก็เป็นคนเป็นคนจีนนะแล้วก็ ภรยาแกเป็นคนไทยเนะี่ยแต่แกขยันมากเลยแล้วล้านแกสะอาดมากเลยนะแกขยันมากเสร็จแล้วก็มีอยู่ทีแกหายไปตั้งหลายเดือนหายไปตั้งไปที่ไรไม่เจอนะไปที่ไรไม่เจอพอเจออีกทีนึง่งเขาบอกว่าเออไปโรงพยาบาลลําไส้เป็นอะไรไม่รู้ฮนะแกก็ไปบอกมาเออตัดมาเรียบร้อยแล้วหมอนะโอ้ยดีใจใหญ่เลยกลับมานะหายแล้วทํางานใหญ่เลยนะนี่ก็พูกก็เพกอยู่เลยนะะ กลับมาทํางานใหญ่เลยดีใจมากเลยครับที่รอดออกมาเนี่ยแต่ก็อายุมากแล้วนะกลับมาก็ขายก๋วเตี๋ยวต่อครับเนื้อแล้วแกก็แกเป็นคนแกเป็นคนขยันมากใช่ไหมฮะไอลูกเต้าแกก็ได้เป็นฝั่งเป็นฝาไปหมดแล้วแต่แกก็ยังขายก็อยู่นั่นอนะยวนี้ก็ยังอยู่เนี่ยนะครับแกบอกโอยแกโชคดีมา ก, กว่างั้นฮนะ พ่าหมอเขาหมอเขาตรวจทันเจออะไรก็ไม่ทราบมา่าตัดทิ้งไปแล้วเขาบอกโอ้ดีใจกับมาขายกรเจียบยิงเดิมก็ได้ดีใจมากที่ได้มารับใช้ผู้การต่อ <laughs> ผมแปลกใจจริงๆว่าบุคคลเหล่านี้นะเขาเห็นสาระในชีวิตเขาเนี่ยนะคือทำงานตายไปเลยแลวโดยเฉพาะพวกพวกที่ขายของเนี่ยผมสังเกต ด, ดูนะ เขาแทบจะว่าทํางานตายคากระทะไปเลยเหมือนกันเถอะถ้าจะขายขุ้เียวก็คากระทะไปเลยเนี่ยนะเลิกก็เป็นที่ยกย่องมากใช่ไหมก็ที่จริงนะแต่สาขาอาชีพใดถ้าตายคาสิ่งนั้นได้ก็เป็นที่ที่ชื่นชมมากใช่ไหมเกือบเกือบทุกอาชีพนะถ้ากล่าวไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าทุกคนนะครับผมมักจะถามบ่อยๆบอกนี่หรือเมื่อไหร่จะเลิกขายวะเนี่ยเนื้อ ก็ปวดจิกหน่อยหน่อยสบายแล้วร้านมันจบแล้วตอนแรกลูกนะตอนนี้ร้านนะนะแต่ว่าแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาลําบากเหมือนกันนะผมถามเจ้ายำตะโฟเนี่ยไกลๆเนี่ยบอกนี่เมื่อไรจะเลิกขายบอกอีกห้าปีเลิกแน่เขาบอกนะฮะเขาเห็นผมไปไหนมาไหนได้อิสระบอกอีกห้าปีเขาเลิกแน่นะแต่เขายังหนุ่มอยู่เลยนะฮะ แสดงว่ามันหนักหนาสาหาสาการอยู่นกันนไอ้ไอการทํามหากินนี่นะแต่พราะถึง5ปีแล้วค ง, งทาต่อหยืดของการอีกหน่อยไม่ค่อยกับเสียงสักทีเลยถ้าอายากเขาขายมีใจนี่เราเป็นดี้เขาแล้วเขามาเป็นดีเลยมาดูต่อไปว่าพรงแสดงปาตกะช า, รานระ พวกชราที่กล่าวนะปลาตากะชราก็คือชราที่ปรากฏชราที่ปรากฏคืออะไรเช่นผมงอกขนงอกเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าชราปรากฏหนังเหี่ยวก็ชราปรากฏฟันหักฟันหลุดเนี่ยนะพวกนี้ก็ชราปรากฏชรานั้นเป็นธรรมชาติปรากฏแล้วด้วยสา ม, มารถแห่งการเห็นภาวะเหล่านี้เป็นของพิการไปวิการกับพิการันเดียวกัน ก็พิการไปนะก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันพิการมันเสียหายไปถ้าเป็นบาลีเข้านิยมพอพานถ้าเป็นภาษาไทยก็นิยมวแหวนนะนีวแหวนก็พอพานเนี่ยใช้แทนกันอย่างเช่นวิทยาคมกับพิทยาคมเนี่ยอันเดียวกันเปรียบเหมือนการเดินทางของน้ําหรือลมหรือไฟย่อมปรากฏเพราะความที่หญ้าและต้นไม้เป็นต้นหักโค่นทลายแล้ว หรือถูกไฟไหม้ทางที่เป็นไปแล้วนั้นไม่ใช่น้ําเป็นต้นเหล่านั้นเลยข้อนี้ฉันใดทางเดินของชาราก็ฉันนั้นเหมือนกันปรากฏที่มีฟันเป็นต้นด้วยอํานาจลักษณะมีภาวะที่หักเป็นต้นใครๆแม้ลืมตาก็รู้ได้แต่ลักษณะภาวะที่ฟันหักเป็นต้นเท่านั้นไม่ใช่ชาราเพราะชาราไม่ใช่ที่ไม่ใช่สิ่งที่พึงรู้แจ้งด้วยตาอันที่จริงตาก็เห็นได้แต่ แต่การที่มนัสยการรู้ถึงความชารานั้นรู้ด้วยมโนทวารวิถีเนี่ยนะที่ที่จะคำนวณว่าเออนี้สภาวะของชาราแล้วนะเนี่ยนะชารานั้นพระองค์แสดงโดยปกติกล่าวคือความสิ้นอายุและความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์มีจักสู่เป็นต้นซึ่งปรากฏเฉพาะในเมื่อล่วงการถ่านไปเท่านั้นด้วยบทว่าความเสื่อมสิ้นแห่งอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ก็คือ อายุมันมันหมดไปเรื่อยๆใช่ไหมมันเหลือน้อยเต็มทีเนี่ยนะอันนั้นแหละลักษณะของชาราละก็ตอนนี้ก็กลายเป็นที่คําขนันกันนะเขาบอกว่าหนุ่มน้อยสาวน้อยเอาไว้เย้ากันเล่นอ่ะนะก็คือความน้อยมันเครียกว่าความเป็นสาวก็เหลือน้อยมากความเป็นหนุ่มก็เหลือน้อยเต็มทีเนี่ยนะก็เป็นสับแสแหลงเอาไว้คุยกันนะนะบอกหนุ่มน้อยสาวน้อยเนี่ยนะ ก, ก็เกือบแล้วละประั้น บรรดาบททั้งสองคือความเสื่อมสิ้นแห่งอายุและความแก่ง่อมแห่งอินทรีนั้นเพราะอายุของผู้ถึงชราแล้วย่อมเสื่อมฉะนั้นชราพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยพลูปจาระพลูปจาระเนี่ยนะพลูบวกอุปจาระพระอขออภยัยพระบวกอุปจาระพระก็แปลว่าผลอุปจาระแปลว่าใกล้ใกล้ผลเนี่ยคืออะไรพูดใกล้ผลเนี่ยหมายถึงอะไระคาพูดใดที่พูดถึงใกล้ผลน่นะแสดงว่าพูดถึงอะไร พูดถึงเหตุอุปจาระแปลว่าใกล้ถ้าพูดใกล้ผลเนี่ยแปลว่าพูดถึงเหตุอยู่ <c oughs> <c oughs> เหตุแห่งชราเนี่ยนะทาให้เห็นเห็นเนี่ยก็คืออะไรคือความสิ้นไปแห่งอายุใช่ไหมไอ้ความสิ้นไปแห่งอายุนั่นแหละเรียกว่าชราละ อันหนึ่งเพราะอินซีมีจกักษุเป็นต้นในเวลาที่ยังเป็นหนุ่มเป็นของผ่องใสาสา ม, มารถรับวิสัยของตนแม้ละเอียดได้โดยง่ายทีเดียวเมื่อเขาถึงชราแล้วอินซีเนี่ย่อมแล้วก็สับสนไม่คล่องแคล่วไม่สา ม, มารถรับวิสัยของตนแม้หยาบได้ในสังยุตติกายกล่าวว่าตาหูจมูกลิ้นร่างกายทั่วๆไปนะเป็นสิ่งที่เกิดทีหลังแต่ว่าเสียหายไปก่อน เนีะหมดสิ้นไปก่อนตาก็เกิดทีหลังไหก็เสื่อมสิ้นไปก่อนหูก็เกิดทีหลังก็เสื่อมไปก่อนจมูกลิ้นเกิดทีหลังแต่ก็เสื่อมค่อยๆหมดสภาพไปเรื่อยๆใช่ไหมลิ้นนี่ก็โหรับรสก็ยากเลยนะพวกการยังรับรสได้อร่อยอยู่นะแสดงว่ามีบุญมากเลยนะก็ลิ้นของบางคนนี่ก็แทบไม่ค่อยรู้เรื่องเลยก็เป็นเื่องปกติ สังเกตดูว่าอรับรสเนี่ยสมัยก่อนกับตอนเนี้ยนะถ้าสังเกตนะต้องสังเกตแบบนี้ว่าอาหารประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันเนี่ยนะแล้วเราเคยบริโภคตอนปีนั้นนนอ่ะ น, นะสังเกตไอตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยสภาพของลิ้นในการรับรสเนี่ยมันมันต่างกันแค่ไหนอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็วิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งตาเห็นหูหูสังเกตเห็นที่ตาที่หูตากับหูเนี่ยเห็นง่ายใช่ไหมคือตานี่ก็เห็นชัดน้อยลง ก็บางวันนี่ขอมาสังเกตเห็นนะเอ๊ะทำไมมันพร่าอย่างนั้นมองอะไรไม่ค่อยเห็นเยนะก่อนนี้ดูได้ว่าบางครั้งเนี่ยมันพร่านะนะจักว่าตัวหนังสือเมื่อก่อนเราเห็นสบายๆแล้วก็มันพร่าลงไปเนะี่ยเนี่ยนี่ก็แสดงว่าตาเนี่มันมันมีปัญหาใช่ไหมแต่ก็ทางหูเนี่ยมันถ้าบางทีมันเหมือนกับว่ามันเหมือนตอนขึ้นเครื่องบินกับลงเครื่องบินอ่ะนะบางครั้งเนี่ยสังเกต แต่แต่คุณมุนชูนี่ก็สังเกตบ่อยมากนะเพราะมันต้องเป่าจมูกตลอดพอเหมือนกันถ้าไม่เป่าเนี่ยมันเอ้อเลยใช่ไหมมันเออเดี๋ยวก็ฟังไม่ได้ยินนะเนีการไหลเวียนของเออท่อเลือดตรงนั้นเออท่อน้ํานนท่อจากหูเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันจะต้องเป่าไปตลอดมันก็พวกพวกนี้นะหูเนี่ยมันก็ตึงขึ้นใช่ไหมเสียงที่ควรจะได้ยินก็อันอื่นนะเรียกเหี่ยวหมดเลยในในร่างกายเนี่ยนะเว้นแต่หูเนี่ยแหละเขาเรียกตึงขึ้นเนี่ยอันเดียว <c oughs> ต่างจากอันอื่นหมดเลยนะอันอื่นนี่เสียหายหย่อนยานไปหมดเว้นแต่หูตึงขึ้นตึงขึ้นบางคนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเข้าหมู่คณะเข้าพวกพออายุมากมเลยเพราะว่าได้ยินไม่ดีเนื่องจากว่าหูเนี่ยมันก็ฮะฮะหลายครั้งเข้าเอ๊ะชักเกรงใจผู้อื่นเน่ยนะ <c oughs> ก็ค่อนข้างลาบากมาก อย่างบางคนเนี่ยไปพูดผิดหูผิดข้างก็ไม่ได้ด้วยนะถ้าพูดผิดข้างนะคุยอยู่คนเดียวอ่ะนะนึกว่าเขารู้ด้วยที่ไหนได้ทำตาช่ยเนี่ยนะพอคุยอีกข้างหนึ่งจึงค่อยรู้เรื่องเนี่ยนะข้างหลังห้องมีอยู่คนหนึ่งแต่ถ้าคุยผิดข้างนะมีอยู่วันหนึ่งไหมเขาก็รับโทรศัพท์จะไหมเขาใช้อีข้างนั้นแหละมีปัญหาเนี่ยแหละแต่ <c oughs> <c oughs> เราคุยยังไงเขาไม่ได้ยินลําบากมาก <c oughs> เลยคุยกันไม่ก็จะรู้เรื่องก็บอกว่าพูดดังๆหน่อยก็มังั้นไปตรงประตู่างเปล่อครับมีหมอหูคอจมูกผมไปแล้วหายหูเป็นน้ด่ะไปแล้วหายกตเครื่องมืออย่างดีเลก็มีสว่านเป็นต้นมีเตียงแล้วมีเครื่องมืออนีต่อไปนะว่า อินทรีย์มีจกักษุเป็นต้นในเวลาเป็นหน่มก็ผ่องใสนะสรุปว่าตอนที่อายุมากๆขึ้นก็ไม่สามารถจะรับอารมณ์หรือวิสยาเนี่ยนะวิสยะก็คืออารมณ์นะเช่นสีที่ควรจะเห็นชัดก็ไม่ชัดนะนะเพราะนั้นพวกความสวยความงามก็แสดงว่าเห็นของสวยเนี่ยลดลงไปใช่ไหมความไพเราะของเสียงต่างๆก็ฟังแล้วก็ลดลงไป มาดูต่อไปอีกว่าชราแม้ทั้งหมดที่ทรงยกขึ้นแสดงนี่ก็แบ่งเป็นสองอย่างนะชราปรากฏกับชราไม่ปรากฏปกปิดะนะปาตากากก็คือปรากฏนั่นแหละกับปกปิดบรรดาชราสองอย่างนั้นชราในรูปที่เรียกว่าชราปรากฏเพราะแสดงภาวะมีการหักเป็นต้นแห่งอวัยวะมีฟันเป็นต้นนะก็รู ป, ประขันเนี่ยนะมันแก่ลงทุกวนันทุกวนันใช่ไหมแต่อารู ป, ประขันคือตัหาเป็นต้นมันไม่ค่อยยอม มันอยากจะบแมอยากกระชับกระเชงน่นะบางคนก็บอกแม่ถ้าเป็นตอนนั้นนะเดี๋ยวว่าัญหามันไม่ยอมเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาเนี่ยพวกพวกนามขันทั้งหลายเนี่ยเป็นชราที่ปกปิดแต่พวกนามขันทั้งหลายมันเนื่องด้วยรูปประขันใช่ไหมถ้ารูปประขันเสื่อมคุณภาพลงนามขันก็เสื่อมคุณภาพไปตามนั้น แต่ว่าสภาพจิตหรือตันหาบางส่วนมันก็ไม่ค่อยยอมมันนะอย่างจําได้โยมคนหนึ่งบอกลูกสิลูกสิมันก็ไม่ยอมลุกให้นะอายุมากแล้วเชื่อยายถมกระสายบาด <c oughs> เวลาแกแกก็ยกขันเข้ามาจบก่อนใช่ไหมแกก็นั่งยองๆเพื่อจะจบขันเข้าจะนี้ไอ้ขาลุกขึ้นจะสายบาดนี่บอกลูกสิก็ลูกสิกระตบเท้าตัวเองอ่ะนะลูกสิลูกเิอ่ะนะผู้พรก็ต้องสังเวยกันหน้าดูงี้ยนะ แกเดินเนี่ยแกก็ก้มโค้งมากเลยนะโค้งมากแต่ก็กกมีศรัทธามาใส่บาดแกออกมาใส่บาดจุกไปเหมือนกันนะแกก็เดินไปนะแต่เวลาแก ก, ก่อนจะใส่แกก็จบทาข้าวอจบยกนั่งลงก่อนนะแล้วก็ใส่แล้วก็จะนั่งอีกครั้งหนึ่งรับพรใส่แล้วก็บขวาจะลุกกว่าจะลุกได้แต่ละครั้งเนี่ยโอ๊ยทุกมากๆเลยเนี่ยแก็คุยกันหน้าด่นะนคุยกับตัวเองบอกลุกสิลุกสิแต่ก็กระดกข้างหลังขึ้นก่อนตามสูตรอยู่แล้วนะอายุมากมากนะ ก็ม mm ีก hmm. ็มีพระรูปหนึ่งก็บอกว่าเขาชอบไปบินทบาทสายนั่นก็บอกว่าไปอะไรบอกไปดูสังเวกวัตถุว่านั้นนะไปดูสังเวกาวัตถุว่างั้นเถอะได้กรรมฐานกลับมาด้วยนะชรามากแล้วคนชราทั้งสองเนี่ยนะภาวะมีเป็นผู้ฟันหักเป็นต้นย่อมปรากฏภาวะความเป็นผู้ฟันหักก็คือเปลี่ยนสีนะ เพราะความที่อวัยวะมีฟันเป็นต้นเป็นสิ่งที่รู้ได้ง่ายบุคคลเห็นสีด้วยจักษุก็คิดด้วยมโนทวารคือคิดทางใจก็รู้ว่าชรานะขันเหล่านี้ถูกชราประหารแล้วฟังกันเถอะใช่ไหมถูกชรานี่ประหารแล้วเหมือนกับสมัยนี้ก็เหมือนอ่านป้ายอ่ะนะอ่านป้ายก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่เบื้องหลังป้ายนะั้นใช่ไหมถ้าเป็นโบราณก็แขวนเขาโคเอาไว้ถ้าแขวนเขาโคอย่างนี้แสดงว่าตรงนี้มีบ่อน้ําเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของเขาเนี่ยนะ หมายนี่ก็เขียนตายแล้วเกี่ยวกับเรื่องชาราเนี่ยนะถ้าเราสั่งสมไว้บ่อยๆถ้าคิดว่าคําว่าชาราคืออริยสัตว์นะเราจะได้ยินมากๆเลยนะวันๆหนึ่ง น, นะเนะยถ้าผู้การไปกับหลานนี่จะได้ยินอะไรเนี่ยสัจจะนี้บ่อยมากๆเล ย, เลย <laughs> พูดและเล่มอยู่แถวๆความชราของปู่นี่แหละผู <laughs> <laughs> ้แกแล้วบังอะไรบ้าง <laughs> นะวนๆอยู่แถวนี้แหละเหมงอนกันเด้อมันถ้าจำอริยสัตว์เอาไว้ดีๆนะโอยหลานสอนอริยสัตว์ตลอดเลย เดี๋ยวแจวขึ้นบ้างเตยขึ้นบ้างนะเปลี่ยนกันหมุนเวียนเอาแต่เนี่ยทุกขาริยศาสตร์นี่แหละเอาแต่ชารานี่แหละมาพูดเนี่ยนะท่า น, นถ้าถ้าฟังให้ดีๆนะเช่นเขาเรียกว่าลุงป้านา้าอาเป็นต้นเนี่ยปยยู่ย่าตายายอุ้ยเนี่ ย, ยเขาประกาศสัจจาให้เราได้ยินตลอดเลยอะ่ะท่านถ้าถ้าทรงจํากรรเกี่ยวกับเรื่องอารยศาสตร์เอาไว้ให้ดีๆนะจะได้ยินคํานี้ค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะจะได้เอามาทําปริญญาเนะ่ยถ้าถ้าทำปริญญาไว้นี่ไม่น่าไม่น่าใช่ปัญหาเลยใช่ไหม เพราเกี่ยวกับเรื่องชราเนี่ยนะยิ่งใครสาธยายอาการ32สั่งสมพวกกายคตาสติอะไรไว้มากๆพอได้ยินถ้อยคําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ระลึกถึงคําสอนในส่วนนั้นๆได้ก็สามารถเจริญกรรมฐานได้เลยถ้าสั่งสมเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้มากๆเลยนะแม้กระทั่งพระประเจกบางรูปเนี่ยบรรลุเพราะพวกเด็กหญิงร้องเพลงพวกเด็กหญิงบางคนมันก็ร้องเพลงกล่าวถึงดอกบัวใช่ไหม ดอกบัวเนี่ยเดี๋ยวมันก็เช้ามามันก็สดถ้าถอนออกมาแล้วใบใๆมันก็เหี่ยวมันก็เช้าเป็นต้นเลยนะท่านฟังแล้วบรรลุเลยนนะแทงตลอดอริยศัท์ทันทีเลยอันนี้คือการสั่งสมในการคิดเรื่องเรื่องชราเรื่องมรณะเอาไว้ให้มากๆหมดเวลาพอดีเลย